ชีวิตย่ำแย่ก็เพราะไอ้สิ่งที่ตัวอชอบนั่นแหละอยุติธรรมง่ายๆเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบบุหรี่นชอบเหล้าชอบการพ น, นันเนี่ยอันนี้มันก็ทําให้ชีวิตเขาเนี่ยตกต่ําย่ำแย่เจ็บป่วยหนีสินมากมายล่มละลายครอบครัวแตกแยกก็เพราะไอ้สิ่งที่ชอบชอบจนถอนตัวไม่ขึ้น ชาว บ, บ้าหลายคนเนี่ยเป็นมะเร็งนะในตับก็เพราะชอบกินนะปลาดิบนะกินปลาดิบนี่มันก็มีพยาธใบไม้ในตับไอ้ไม่ชอบไม่กินอ่นะชอบกินแต่พวกปลาดิบเนี่ยก็เลยอายุสันน้นนะแต่ตัวอย่างที่พูดมานี่เนี่ยนะมันเป็นของที่เรากลุ้นนะว่ามันมีโทษชัดเจนอยู่แล้วนะเช่นเหล้าบุรีการพานัน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 เดี๋ยวนี้ก็รู้กันแล้วน ะ, ว, นะว่าไขามันเนี่ยกินมากๆไม่ดีแต่ว่าหลายคนก็ยังเลิกไม่ได้นะเพราะว่าเป็นของชอบอย่างตักอาหารเนี่ยนะเราก็จะตักนะพวกเนื้อนะแล้วพวกที่มีไขมันนะอีกอย่างนึงคือพวกที่มันหวานตอนนี้เขามีงานวิจัยที่ชี่ยวเห็นว่าเนี่ยน้ำตาลที่จริงอาจจะน่ากลัวกว่าไขามันด้วยซ้า คนเผ่าอินุนะภาคทางโครโตกเหนือมาไซพวกนี้นะกินไขมันเยอะแต่ไม่เคยไม่เคยเป็นโรคป้วนโรคหัวใจโรคความดันแต่พอมาเริ่มกินอาหารสมัยใหม่มีน้ำตาลโอ้ยเป็นกันเยอะคนจีนสมัยก่อนนี่จนกระทั่งเมื่อร้อยปีที่แลวนี่คนที่เป็นโรคหัวใจนะเบาหวานนี่ก็แทบไม่มี แต่เด น, นี้เนี่ยโรคเบาหวานนี่ก็สิบเปอร์เซ็นตเข้าไปแล้วเพราะอะไรนะเพราะน้ําตาลน้ําตาลนี่เป็นของชอบนะใครๆก็ชอบนะแต่ว่าเพราะของชอบนี่แหละเราก็เลยกินเยอะๆของชอบอย่างหนึ่งคือการอยู่เฉยๆไม่ต้องออกกําลังกายนะนะเดินขึ้นบันไดก็ไม่ชอบนะชอบนั่งลิฟต์ครับขึ้นลิฟต์นะเดินไปฝากซอยไม่ชอบนะ ก็นั่งรถเอาสบายไอ้เพราะของชอบนี่แหละก็ทำให้เป็นโรคหัวใจกันมากมายนะเขาเรียกว่าเป็นโรคขี้เกียจนะให้มาพิจารณาดูดีๆนะทุกวันนี้คนเราเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยนะชีวิตยำแย่นี่ก็เพราะของชอบทั้งนั้นน่ะ น, นะของหวานนะไขมันน้ำตาลหรือว่าของผัดของทอดนะ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 ลักขโมยคอร์รัปชันหรือโกงนะแล้วอาจจะทาให้ผิดสินเขาอื่นเช่นโกหกนะหรือว่าอาจจะถึงขั้นไปทำร้ายฆ่าคนกามเนี่ยก็เป็นของชอบนะที่มันชักพาให้ผู้คนเนี่ยนะถลําเข้าไปในทางที่เป็นอบายมากมายนะผู้ชายก็ชอบผู้หญิงนะเพราะอย่างนี้นแหละความชอบนี่ที่ทำให้มันแย่ เกมออนไลนนะ์ก็เป็นของชอบของเด็กนะผู้ใหญ่ด้วยนะก็ชักจูงชักนำทำให้ไม่เป็นอนดีตหนังสือบางคนไม่เป็นอาทำงานที่ซ้ำเนาะฉะนั้นถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยชีวิตคนสมัยนี้เนี่ยที่แย่เนี่ยนะไม่สามารถจ ะ, ะมีความสุขก็เพราะอำนาจของสิ่งที่ชอบนะให้สิ่งที่ไม่ชอบนี่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ เพราะว่าเราเระวังอยู่แล้วนะไอ้ถึงที่ชอบตั้งหากที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นะต้องมีความระมัดระวังนะอ ะ, อะไรตามที่เราชอบเนี่ยเราก็ต้องอย่าเผลออย่าไผลสมัยนี้เนี่ยจิตใจอ่อนแอนะเจออะไรที่ชอบก็ยึดยึงดูดเข้าหานะจกนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวเพราะมันบานก็ชอบช้อปปิ้งนะชอบช้อปปิ้ง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 การมีสติสำคัญเนี่ยจะต้องมีความแล้วก็มีความยัย้งชั่งใจก็คือขันติด้วยนะมีแค่ปัญญาอย่างเดียวไม่พอรู้ว่าไม่ไม่ถูกไม่พอนะรู้ว่าบุหรี่ไม่ดีแต่ก็ยังติดบุหรี่รู้ว่ารล่ไม่ดีก็ยังติดรู้ว่าน้าตาลเนี่ยมันเป็นโทษต่อร่างกายก็ยังกินไอติมน้ำอัดลมนะติดเป็นกันมากไขมันไม่ดีก็รู้ว่าทำให้เป็นโรคหัวใจก็ยังเลิกไม่ได้ จะตายอยู่แล้วนะอยู่ในห้องไอซูหรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ยังขอกินนะขาหมูขอกินข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยอันนี้เพราะว่าเราตกเป็นท่าของสิ่งที่เราชอบอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องต้องระมัดระวังนะอย่าอย่ามัวไปใส่ใจกับสิ่งที่ไม่ชอบนะแม้กระทั่งสิ่งที่ชอบเนี่ยก็ต้องระวังนะต้องมีความยับยั้งชั่งใจบริโภคหรือเกี่ยวข้องแต่พอดีนะ อันนี้ก็เป็นข้อคิดนะสำหรับนะเวลาเราจะกินอาหารเนี่ยก็ลองนะพิจารณาตรงนี้ด้วยนะเราเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขอยผลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วพีราเมวัสมิชาตูจงสำเร็จโดยฉาพรสาเพภูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาา เหมือนพระอาจารย์ในวันเพมนมณีโชติระโสยะธาเหมือนแกม่มณีอันสว่างสวัยควนยินดีสาภีธิโยวิวัชันตุความจรายทั้งปวงจงบำราดไปสาภารโรคโวินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนหาพิวาธนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตาโรโอธรรมวะทันติอายุวันโนสุขังพลังต่างสี่อาการคืออายุวันนะสุขะพละยอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กล่ามีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนินสุขังข อาสาภาโมกต์จงมีแก่ท่านกระคันโตสาภาเทวตาอาลาเทวดาทั้งพวกจงรักษาท่านสาภาภูธานุภาเวนด้วยอานุภาแห่งพระภุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาโดยอานุภาแห่งพระธรรมสาภาสังขานุภาเวนาโดยอานุภาแห่งพระโสสาธาโสธิภาวันตเต อขอความสวัสดีทั้งหลายโงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ